สมมตินะสมมติแต่เย็นนี่สมมติข้าของมาไปไม่ทันบางเที่ยวอย่างเงี้ยเนะสมมติตอนไปไม่ทันเนี่ยอาจจะเสียใยใช่ไหมแต่พอได้ข่าวว่าเที่ยวนั้นมันตู้มขึ้นมานิโยเมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อไอ้เครื่องบินที่จีนมันตกทะเลนะก็บอกว่าดีเนาะไปไม่ทันเที่ยวนั้นดีใจที่ไปไม่ทันเที่ยวนั้นเนาะไม่งั้นเป่าทะเลแล้วเหมครับแต่นี่ดีว่าไปไม่ทันอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ไปเที่ยวนั้น การเห็นขันท่าทั้งหลายโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ดีแล้วที่เราจะได้ไม่มีฉันทราคะในวัตถุนั้นหรือพูดเอกภาษาแบบชาวโลกทั่วไปเลยนะพูดแบบคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถ้ารู้ว่าคนที่เราชอบพอเป็นโรคเอตระยะสามเนี่ยนะถามว่าเราดีใจไหมที่รู้ก่อนดีใจหรือเสียใจที่เรารู้ก่อนก็ดีใจสิที่เรารู้ก่อน่นะนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ ไม่ไปไม่งั้นเนี่ยเสียใจแน่ในภายหลังอ่ะ น, นะก็ถามว่ายมดีใจไหมที่รู้ว่าชายที่เรามาชอบเราเนี่ยเป็นติดเหล้ากับปา น, นั้นมีเอตก็มากเท่านั้นนักการพนันหนี้หัวโตไม่รับผิด ช, ชอบทะเลาะ ก, กับชาวบ้านเป็นประจำเลยนะ น, นะซึ่งเราตอนแรกก็รู้สึกจะชอบชอบอยู่เหมือนกันอ่ะนะแต่พอสืบได้อย่างนั้นเราก็ดีใจใช่ไหมเออโล่งอกสักทีหนึ่งท้นสักทีหนึ่งไม่งั้นนะเดือดร้อนแนะ่ เพพวกพิจารณาเห็นอุปาทานขันห้านี่รู้เลยว่าถ้าตัดฉันพราฆาในขันห้าได้เห็นภัยในขันห้าเพียงใดเราก็ใกล้จะพ้นอบายทุคติวินิบาศนรกเพียงนั้นเขาจะดีใจเป็นอย่างมากไหมเออเนี่ยนะเราใกล้จะพ้นอบายทุคติวินิบาศนรกแล้วเพราะว่าที่เราจะต้องทําบาปทํากรรมถึงขนาดไปสู่อบายทุคติวินิบาศนรกก็เพราะเห็นแก่เห็นแก่อะไรเห็นแก่ขันห้านั่นแหละ ถ้าเห็นโทษของขันธ์ห้าเราจะยอมทำบาปเพราะขันธ์ห้าไหมไม่ยอมเนี่ยนะแล้ก็พิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะจนกว่าจะเห็นทุกข์เห็นโทษที่นี้ในกลุ่มปิยรูปสาตรูปเหล่านั้นเนี่ยนะที่เรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาประมวลให้เป็นอริยสัจแต่ย้อนมากลับมานิดหนึ่งว่าผู้ที่มีปัญญามากๆเขาคาใช้คาว่าขันธ์ห้าเนี่ยนะ เข่าตับฉันทราคาในขันท่าได้เลยกล่าวถึงเหตุเกิดความดับอาสาท่าอาทีนะว่านิสระของอุปาทานขันท่านะเทาตับกิเลสได้เลยแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาน้อยๆสมมติถ้ามีเชือกก้อนโตเนี่ยนะเหมือนกับสลิงเนี่ยนะเส้นใหญ่เบนะิ่มเนลยมันหลายๆเส้นรวมการรวมกันแล้วมันไปมัดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งที่มันใหญ่มากถ้าเราต้องการตัดสลิงอันนั้นเราจะทำยังไง เรามีเครื่องอะไรนะมีครีมอยู่นี่เดียวนะทํายังไงที่เราจะตัดไอสลิงก้อนโตได้อ่ะเราก็ต้องมาแยกแยกเส้นลวดเนี่ยนะแยกเส้นลวดออกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นแล้วค่อยๆตัดทีละอันทีละอันทีละอันถ้าอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ตัดได้แต่เท่าครีมเราไปข้ะนะถ้าข้ อ, อยังไงมันก็ไม่ขาดสังโยตที่ผูกไว้ในอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันผูกมันเต็มไปหมดอ่ะนะถ้ามองแบบ ในพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าตัณหาเนี่ยแพร่ข่ายแพร่ข่ายก็เหมือนกับใยแมง ม, มนะุมใช่ไหมเพรันลืมทางตาปั๊บนะมันเหมือนกับอะไรถ้ามองแบบแมง ม, มุมหรือมองแบบคนหวานแหนะ่หวานแหนทันทีเลยตัณหาชาละลืมตาปั๊บหวานแหนได้ยินเสียงปั๊บก็หวานแหนทุกทวารอย่างเงี้ยหวานลงทุกทวารหวานลงทุกทวารถ้าศึกษาแยกๆนะค่อยๆเลาะตัดทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นค่อยๆตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลาะค่อยๆเลาะหมายความว่าภาษานักเย็บผ้าไม่รู้เลยใช่ไหม เลาะผ้าไหมคขาว่าไงเลาะผ้าไหมเขาว่าไงก็ตัดได้ออกใช่ไหมก็เลาะผ้าก็คือตัดได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆเลาะแบบนั้นนะไม่ใช่เลาะแบบภาษานักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งค่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆเลาะป่าเลาะเขาเลยนะอันนี้เลาะผ้านั่นเลาะผ้าไหมเพราะว่าตัดได้ออกค่อยๆตัดตัดตัดัดัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่อยๆเลาะไปอย่างเงี้ยนะถ้าผู้ปัญญาในน้อยเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาแรงๆก็หวดฉับเดียวก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม แบบพภาสาวกทั้งหลายสมัยพุทธกาลโกนผมจุกแรกโสดาบันจุกที่สองสกาทาคามีจุกที่สามอนาคามีจุกที่สี่ก็หมดหัวก็บพระทาหันพอดีนั่นปัญญามากๆแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยบวชมาจนสามสิบปีกว่าแล้วห้าสิบปีก็เงียบอย่างเงี้ยไหไอ้พวกนี้เราจะต้องมาโอ้ยฝอยหาตะเข็บแต่ละอันแต่ละอันค่อยละค่อยเลา ะ, ะตัดทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าจะหลุดเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละ เพราะปัญหามันแผ่ขยายติดไว้กับทุกผนทุกแห่งไปกับทุกอารมณ์อันถ้ายิ่งเลาะได้ในแต่ละทวารแต่ละทวารค่อยเลาะ ก, ค, ะกค่อยตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าเรามันฝึกเลาะอย่างนี้นะแล้วก็แยกแยะ แ, แบบนี้บ่อยๆจนจากขันห้ามาเป็นธรรมะหกสิบเนี่ยนะมาเป็นธรรมะหกสิบใช่ไหมแล้วในธรรมะหกสิบเนี่ยมาค่อยๆ ค, คิดดูนี้จกัจกจับปุ๋ น, นะ ตอนแรกก็รูปรูปสมูทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาทั้งห้าขันเลยนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้ถ้าแยกรูปมาเป็นรูปคือจักขุยังไงนะก็จักขุจักขุสมูทัยจักขุนิโรจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาค่อยๆไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นโสตคานะชิวหากายะมโนรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธะะและ ธรรมรมจะขูวิญญาณโสตะวิญญาณคารนณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณแต่ละบทให้ควรโดยตามอริยสัจให้หมดเลยให้ควรไปอย่างนี้เรื่อยๆจนครบสองร้อยหนึ่งเนี่ยนะเราจะมองเห็นช่องทางออวิธีเขาเลาะตัดเส้นได้คือตันหาเนี่ยตัดอย่างนี้เขาตัดจากส่วนเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าได้แต่เข็บเราเย็บเอาไว้ติดไปหมดเลยนะทุกคนทุกแห่งตีรูปสารูปเย็บไว้ติดทั้งหมด ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกรร ม, มวิญญาณหมดเลยก็เลาะเย็บตัดเออและเลา ะ, ะ, ะตัดอะไเงี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆทั้งสองร้อยหนึ่งเลยนะทีนี้ถ้าไม่ได้ก็มามาศึกษาว่าแต่และอย่างเขามีกิจอย่างไรก็ต้องไม่ลืมกิจนะนะอย่างในคนทั้งหลายเนี่ยพอจะรู้นะว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรรคแต่ที่จะสนใจเรื่องกิจน้อยนะเนี่ย เพราไม่สนใจเรื่องกิจเลยะ ท, ท่านจึงแนะนําว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรควรเจริญเนี่ยนะแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ทุกๆอันเลยนะแม้กระทั่งจักขูควรกําหนดรู้จักขูสมุทัยควรละจักขูนิโรธควรทําให้แจ้งจักขูนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาควรเจริญเนี่ยนะก็ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆทีนี้ถ้าจะบรรลุจริงๆบรรลุยังไง ปฏิเวทาเนี่ยนะสภาพที่แพงตลอดปฏิเวทะเนี่ยถ้าบรรลุยังไงรูปถ้าบรรลุต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้ไม่อย่างนั้นนะคนจะไม่รู้จะบรรลุอะไรอีกเหมือนกันไหยปราถนาความบรรลุยุคนี้เขาปราถนากันมากแต่ไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเหมือนกันเพราะนั้นท่านก็เลยชี้ชัดอย่างในข้อสิบสองเนี่ยนะบอกเลยว่าท่าบรรลุทุก์ต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้นะถ้าจะบรรลุสมูทายต้องบรรลุด้วยการนะบรรลุนิโรตต้องบรรลุด้วยการทําให้แจ้ง บรรลุมัดต้องบรรลุด้วยการเจริญแม้กระทั่งจักรโคก็เหมือนกันถ้าใครจะบรรลุจักขโคต้องบรรลุด้วยการกำหนรู้ถ้าบรรลุจักรโคสมูไทยต้องบรรลุด้วยการละบรรลุจักรโนิโรต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้งบรรลุจักรโคนิโรทักามินีปฏิปทาบรรลุด้วยการเจริญฮั้นในข้อสิบสองเนี่ยนะเป็นวาระที่เท่าไหร่วาระที่สามหรือรอบที่สาม รอบที่สามนั้นจึงกล่าวถึงการแทงตลอดก็คือบรรลุนั่นเองถ้าจะบรรลุก็ต้องบรรลุแบบนี้นะเพราะถามว่าความคิดของเรานี่บรรลุมันเป็นยังไงสมัยก่อนนะสมัยสมัยที่เขาว่าบรรลุนะเขามาเคยอ่านหนังสือบางเล่มมามันเหมือนกับว่ามันถางขึ้นมาเลยมันโล่งขึ้นมาเลยนะแม้เมื่อไหรเราจะโล่งขึ้นมาอย่างนั้นบ้างไปนั่งสมาธิแล้วไปนั่งซอกเขาซอกหินเนี่ยรอให้มันถางแบบนั้นขึ้นมา อาจารย์เขบอกว่านี่นะโหมันโล่งเลยนะคำว่างั้นเออเราจะอยากให้โล่งอย่างนั้นเมื่อไหร่มันจะโล่งสักทีหนึ่งดีไม่โล่งแบบนั้นบา้างท่านโล่งไม่รู้จะเป็นยังไงก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบวชมาแรกๆเขาก็สอนให้มันโล่งแบบนั้นบรรูุอย่างนั้นมันสว่างสวัไปหมดเลยอะไรไม่รู้มันสว่างก็ดูตอนกลางวันเอากันแล้วกันนี่นะการแพร่ตลอดด้วยการกําหนดรู้การละการทําให้แจ้งแล้วก็การเจริญ อันนี้หมายถึงว่าขณะที่เป็นมคจิตนะครับเจน่านขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยก็ต้องแทงตลอดลักษณะนีน้แต่ว่าขณะนั้นเนี่ยมันมองไม่ออกไม่เหมือนกับตอนที่เริ่มทำปริญญาตอนกำหนดรู้อันนี้สามารถเข้าใจแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นการละอกุศลในขณะนั้นแต่ถ้า<อ>เป็นตอนที่เป็นมัคมองไม่ออกะครว่ากำหนดรู้อะไรเพราะขณะนั้นเป็นพระนิพพาน เหพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์สัตว์ก็ก็เชื่อจริงๆว่าว่าเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ที่บันไม่บรรลุนะก็ยังไม่เข้าใจอันนี้เรื่องปกติถ้าจะเห็นชัดน้เราต้องดูในมรรควิถีนะวักมรรควิถีนี้ประกอบไปด้วยอะไรบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมรรคผล แล้วก็ลงสู่ผวังแตกบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์โดยอณิจังอย่างหนึ่งบางพวกก็ทุกขังบางพวกก็อนัตตาเมื่อเป็นไปกับอณิจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เนี่ยนยก็ความที่ตัวนี้เนี่ยเป็นการเจริญ ที่เรียกว่าปักขันธนะตรงเนี้ยเป็นปักขันธนะอย่างแท้จริงปักขันธนะตัวนี้แปลว่าแล่นไต่ไงฮันเมื่ออนุปัสนาหรือพวกบริกรรมอุปจาระอนุโลมพวกนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสังขารุเปกขายาณหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวุฒานคาไินีปฏิปทาเนะเนาะกลุ่มตัวเนี้ยบริกรรมอุปจาระอนุโลมก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นวุฒิฐานคากามินีปฏิปทาบริกรรมอุปจาระตรงๆคือสังขารุเปขายานแต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยพวกเนี่ยเล่นไปเป็นปักขันธนะเล่นไปเพราะโคตรภูนี่จะมีอะไรเป็นอารมณ์หนีนิพพานเป็นอารมณ์มันพิจารณาอนิจจังแล้วก็จิตตัวนี้โคตรภูเรียกว่าหลีกออกโดยส่วนเดียวนะหลีกออก โดยส่วนเดียวหลีกออกโดยส่วนเดียวเอกะโตุฏฐานะเนี่ยนะหรือว่าหลีกออกอย่างเดียวคือหลีกออกได้แต่เฉพาะจากอารมณ์อย่างเดียวคือมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าขณะอริยมร์เนี่ยนะก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อีกเหมือนกันนะอั น, น, เ, นเนี้ยเป็นมร์เนี่ยหลีกออกอีกขณะมร์เกิดขึ้นเนี่ยนะหลีกออกตามข้างบนคือโคตรภูแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หลีกออกจากสมุทยัยและ นะนลีกออกจากสมุทัยและวิบากรร ม, มชรูปเป็นต้นนั่นเองทีนี้ที่ถามว่าเป็นการทําปริญญายังไงเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าทําปริญญาจริงๆเนี่ยนะก็ต้องเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงเรียกว่าเป็นผู้ทําปริญญาจริงนะเหมือนกับเมื่อเช้าที่คุณกันตาถามว่าไงนีแทงตลอดใช่ไหม ในเนติปรกรณ์นะะตอนท้ายเนี่ยที่บอกว่าทุกข์เนี่ยจะต้องลักษณะแทงตลอดนั้นผู้ที่แทงตลอดทุกจริงจริงต่อเมื่อมีท่านิ้ผ่านเป็นอารมณ์แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้แทงตลอดทุกเนี่ยนะถ้ายังมีตัวทุกเป็นอารมณ์จริงๆริงก็ถือว่ายังไม่ไม่ทะลุทุกนะหมายถึงว่ายังกระทุง้งไม่ทะลุอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าเปิะระนะ วัตตะเป็นวิวาตะนะม่กระทุง้งไม่ทะลุอะไม่ทะ ล, ะลุถึงอมตะกลับนัสมศการท่านอาจารย์ค่ะพอดีกำลังจะถามอยู่พอดีว่าถ้าในปฏิสัมพิธามัสนี้นะคะในหัวข้อสิบสองนี้ท่านแทงตลอดกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็แทงตลอดละสมุทยัยแทงตลอดทำให้แจ้งนิโรธแทงตลอดด้วยการเจริญทุกขนิโรธาคามมนีปฏิปทาซึ่งเอ แทงตลอดทั้งสี่อริยาศัส์นี้มันฟังดูแล้วมันเป็นในขณะมรรคจิตแต่คำว่าแทงตลอดทุกในเนติปกรณตอนเช้านี้ท่านจะแทงตลอดอุปาทานขันที่เป็นทุกข์แต่พอถึงสมุทัยท่านบอกว่าป้องกันท่านไม่ได้แบบว่าประหารแล้วก็พอถึงมรรคท่านก็ไม่ได้เจริญแล้วก็นิโรธท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันมันเหมือนกับว่าในเนติปกรณ์นี้มันยังไม่ใช่มรรคจิตมันจะเป็นช่วงระหว่างการเจริญอ ก่อนถึงมรรคกิจนะคะแต่ว่าพอในป ต, ติสัมนทิธามันเหมือนกับว่าตอนที่แทงตลอดทั้งสี่สี่อริยสัจนี้มันเป็นในขณะมรรคกิจก็แล้วนิโรธมาป้องกันยังไงถ้าตอนโลโลกยะนิโรธนะถ้าเป็นโลกยะจะมาทำกิจอะไระนิโรธนี้มันจะนิโรธทากิจอะไรนะถ้าเป็นโลกิยะนี่มันก็ มันก็<ห>นเป็นอารมณ์ของปัญญาให้เราศึกษาที่เฉยแต่ว่ามันจะบอกว่าสิ่งใดย่อมป้องกัน ร, รักษาสิ่งนี้ชื่อว่านิโรธอันนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนทำไมมาป้องกันให้เราได้น้อม ไ, ไปที่จะศึกษา <laughs> พระอาจารย์คะแต่ว่าถ้าตรงสมุทัยนี่มันมันตอนที่เป็นโลกิยะมันก็อย่างวิขำพระหารนี่มันก็เป็นการมันก็เป็น ก็ฟังแล้วเราก็ของมาไม่แปลกใจเลยเพราะว่าของเราไม่ได้บรรลุมรรคเราก็จะโอนไปหาไอ้ที่เรามีอยู่เท่านั้นแหละเชื่อไใครมีอยู่เท่าไหร่นะมันก็จะโชยอยู่เท่านั้นนะเป็นไรอ่ะนะก็ศึกษาระดับสูงเอาไว้ไอ้ที่แบบที่ว่าเนี่ยเข้าใจแล้วละ่ะก็ไปฝึกเริ่มฝึกไอ้คิดระดับสูงเอาไว้บ้างเผื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น